ทุกชีวิตล้วนอยู่ในอุ้งมือกรรมกรรมดีทางใจหรือมโนกรรมที่สำคัญยิ่งคือความมั่นในกตัญญุตาธรรมรู้พระคุณที่ท่านได้กระทำแล้วพระคุณแคบๆก็คือเฉพาะที่ท่านได้กระทำแล้วแก่เรากวางออกไปอย่างไม่มีขอบเขตคือ พระคุณที่ท่านทาแล้วแก่ใครๆทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องเฉพาะแก่เราใจที่ระลึกถึงพระคุณหรือในความดีของท่านเช่นนี้เป็นใจที่มีกรรมดีเป็นใจที่กำลังทำกรรมดียอมได้รับผลดีแห่งกรรมนั้นโดยลำดับผลดีอันดับแรกที่จะเกิดแก่ผู้มีกัตัญญูตาธรรมคือการได้ทำกายกรรม วจีกรรมที่ดีที่จะส่งผลดีสืบต่อไปอีกนานาประการแก่ผู้มีมโนกรรมดีเป็นจุดเริ่มต้นตรงกันข้ามกับผู้มีอกตัญญูทุกประการ กตัญญูกะตะเวทิตาธรรมเครื่องป้องกันกรรมไม่ดีกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมความรู้พระคุณและตอบแทนพระคุณเป็นกรรมดีทั้งกายวาจาใจจึงเป็นกรรมที่ให้ผลดีได้พร้อมความกตัญญูจะเป็นเครื่องป้องกันมิให้มีความคิดทำความไม่ดีเพราะเมื่อมีกตัญญูรู้พระคุณท่าน เป็นต้นว่ารู้พระคุณของมารดาบิดาก็ย่อมไม่กล้าที่จะคิดทำความไม่ดีที่จะทำความเสื่อมเสียหรือความเสียใจทุกร้อนให้เกิดแก่ท่านจะไม่คิดไม่ดีไม่ทำไม่ดีโดยมีกตันยูกะตะเวทิตาธรรมนั่นเองเป็นเครื่องห้ามกันไว้ความสวัสดีแห่งตนยอมเป็นผลเกิดได้ ด้วยเหตุมีกตตัญญูกะตะเวทิตาธรรมประจำใจเป็นกรรมทางใจหรือมโนกรรมที่ดีตรงกันข้ามกับผู้อกตตัญญูผู้เนรคุณทุกประการมโนกรรมที่สูงส่งใหญ่ยิ่งที่สุดกรรมดีทางใจที่สูงส่งใหญ่ยิ่งที่สุด ที่ยังให้บังเกิดผลดีที่ใหญ่ยิ่งสูงส่งที่สุดคือกรรมทางพระหาฤทัยพระสิทธัตถราชกุมารก่อนแต่จะทรงตรัสรู้พระสัพพัญยุตยานเป็นพระพุทธเจ้ากรรมดีทางพระหาฤทัยนั้นคือพระมหากรุณาที่จะทรงช่วยสัตว์โลกทั้งโป่งให้พ้นทุกข์เป็นกรรมดีที่ใหญ่ยิ่งสูงส่งที่สุดไม่มีกรรมทางใจของผู้ใดเปรียบได้ กรรมทางพระหาฤทัยพระสิทธัตถราชกุมารสูงสุดเต็มบริบูรณ์พระหาฤทัยจึงเป็นเหตุให้เกิดผลเป็นกรรมทางพระกายพระวาจาอย่างใหญ่ยิ่งจนได้ถึงเสด็จออกทรงบรรพชาสแสวงหาทางเพื่อให้ทรงบรรลุจุดที่ทรงมุ่งหมายทรงสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ย่อมไม่มีผู้ใดสละได้เพราะสิ่งที่ทรงสละนั้น เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปปรารถนาจะควยคว้าให้ได้มาเป็นสมบัติของตนทรงสลักสิ่งอันเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขทุกประการมีราชบัลลังก์เป็นสำคัญทรงเหนื่อยยาตราตรำพระวรกายทรงสลักความเป็นพระมหากษัตริย์ลงสู่ความเป็นผู้ขอที่ไม่มีอะไรเป็นของพระองค์เลย ทรงกระทําได้ถึงเพียงนี้ก็ด้วยทรงมีกรรมดียิ่งทางพระหฤทัยคือมีพระมหากรุณาคุณเป็นมนโนกรรมกรรมทางใจที่ให้ผลตรงตามเหตุพระพุทธศาสนาที่สุดประเสริฐบังเกิดขึ้นเป็นผลแห่งพระมหากรุณาที่คุณอันเป็นกรรมส่วนเหตุที่สุดประเสริฐนั้นเป็นผลสูงสุดตรงตามเหตุ คือกรรมที่สูงสุดกุศลกรรมทำให้มากอาจตัดรอนอกุศลกรรมได้การทำกรรมดีหรือกุศลกรรมให้มาก ย่อมอาจให้ผลตัดร้อนอกุศลกรรมได้อกุศลกรรมที่หนักที่แรงจําเป็นต้องมีกุศลกรรมที่หนักกว่าแรงกว่ามากๆจึงจะสามารถตัดกันได้ทันท่วงทีนั่นคือแม้มีอกุศลกรรมที่ทําไว้แล้วมาส่งผลทําให้ตกอยู่ในที่ร้อนที่คับขันกุศลกรรมที่ทําอยู่แม้แรงกว่าหนักกว่าย่อมจะสามารถตัดผล ของอกุศลกรรมให้ขาดได้ในพริปตามีตัวอย่างปรากฏให้รู้ให้เห็นอยู่ทุกวันนี้จึงไม่ควรลังเลที่จะทำความดีคือกุศลกรรมให้มากให้สม่ำเสมอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การสงสัยเรื่องการให้ผลของกรรมเป็นการดีใครเล่าที่ระลึกได้ว่าได้ทำกรรมใดไว้ในอดีตนึกไม่ได้ทั้งนั้นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจะมาระลึกรู้กันบ้างก็เมื่อต้องประสบผลของกรรมแล้วบางคนจึงจะสงสัยว่านั่นคงเป็นผลของกรรมชั่ว เพราะทำให้เคราะร้ายเดือดเนื้อร้อนใจบางคนจึงจะสงสัยว่านั่นคงเป็นผลของกรรมดีเพราะทำให้ได้รับโชคดีมีความสุขกายสบายใจการที่มารู้มาสงสัยในเรื่องการให้ผลของกรรมเช่นนี้เป็นการดีเท่ากับเป็นการแสดงว่ามีความเชื่อในเรื่องกรรมอยู่ในใจแม้จะยังไม่ปฏิบัติจริงจัง ให้เป็นการแสดงความกลัวกรรมอันสมควรกลัวอย่างยิ่งที่ปากพูดกันอยู่ว่ากรรมไม่ดีน่ากลัวนั้นถ้าทำให้ความรู้สึกน่ากลัวเกิดขึ้นในใจได้จริงและไม่เพียงให้รู้สึกว่ากรรมไม่ดีน่ากลัวเท่านั้นต้องให้กลัวกรรมไม่ดีด้วยจริงจริงจึงจะเกิดผลเป็นคุณแก่ตนสักตัดปากพูดไป ใจไม่จริงดังปากก็หามีประโยชน์แก่ตนไม่อาจจะมีประโยชน์แก่ผู้ได้รับฟังที่นำไปคิดพิจารณาและเกิดความรู้สึกกลัวกรรมไม่ดีขึ้นอย่างจริงใจศีลที่บริสุทธิ์เป็นเครื่องป้องกันการทำกรรมไม่ดี กรรมไม่ดีมีโทษเป็นผลน่ากลัวจริงครูอาจารย์องค์สําคัญท่านพยายามสอนสิทธิ์ให้กลัวการทํากรรมไม่ดีด้วยการนําเรื่องที่ท่านเคยประสบมาเล่าซึ่งเมื่อท่านรับรองว่าท่านได้รู้ได้เห็นมาด้วยองค์ท่านเองก็ไม่น่าจะมีผู้เคลือบแคลงสงสัยเป็นต้นท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านทุดงอยู่ในป่ามีพ้าขาวน้อยติดตามไปตกดึก พระขาวตกอกตกใจวิ่งจากที่พักของตนเข้าไปหาท่านปรากฏว่าได้เห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเข้ามาคุกคามจะเอาชีวิตท่านอาจารย์องค์นั้นเล่าว่าเมื่อพักขาวน้อยเข้าไปหาท่านแล้วอย่างแสดงความกลัวและท่านก็ได้ยินเสียงร้องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงร้องนั้นร้อง กองกองกองก่อยกองกองกองก่อยเป็นเสียงเล็กๆเบาๆท่านมองหาตัวก็ไม่เห็นท่านจึงทำสมาธิแล้วก็ได้เห็นหน้าเล็กๆหน้าหนึ่งลอยอยู่ลักษณะเหมือนหน้าชนีเป็นเจ้าของเสียงร้องกองกองกองก่อยเมื่อมันสดตาท่านอาจารย์ก็หลบวูบหายไปเสียงร้องนั้นก็หายไปด้วย ท่านสงสัยว่าทำไมผีตัวนั้นจึงมุ่งมาที่ผ้าขาวซึ่งเป็นผู้ถือศีลท่านจึงซักผ้าขาวว่าได้รักษาศีลบริสุทธิ์ดีหรือจึงได้รับทราบว่าในตอนกลางวันนั้นผ้าขาวเผามดเพราะมันขึ้นที่นอนจำนวนมากท่านอาจารย์ท่านชี้ว่าเมื่อไม่มีศีลก็ไม่มีเครื่องคุ้มครอง ถ้าขาวได้รับความคุ้มครองจากศีลอันบริสุทธิ์ของท่านจึงรอดชีวิต